ในทางที่ถูกที่ชอบแล้วต่อมานี่ก็มาฟังธรรมอีกเพื่อเป็นการขูดกลาให้ได้ยินให้ได้ฟังในการกระทาสิ่งที่เราทาเราได้ยินสิ่งที่เราได้ยินเราได้ทําให้มันเกิดความสมดุลในการปฏิบัติให้สมู์แบบ ในเราเราก็ทำลงไปมันจะจริงจะผิดจะถูกก็อยู่ที่การกระทำแล้ววัดเนี้เรียกว่ากรรมาฐานที่ตั้งแห่งการกระทำเอากายมาทำเอาใจมาทำเอาสติมาตั้งไว้ที่กายาตั้งไวนน้นานๆให้รู้สึกตัว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 มันเราออกโยคะเรานวดตัวเราอย่าไปเกรงมันยังจะถึงเส้นถึงเอ็นอเหมือนกับเราเขาจะขีดยาให้เราอย่ไปเกรงปล่อยๆกล้กามทุกส่วนให้มันอ่อนๆมันยังจะสะดวกมันยังจะเป็นธรรมชาติการปฏิบัติทมก็เหมือนกัน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 เรื่องได้เรื่องเสียก็ไม่เกี่ยวไม่มีอะไรได้ไม่มีอะไรเสียไม่มีอะไรผิดไม่ได้มีอะไรถูกข้าความรู้สึกตัวนะมันเหนือแล้วมันผ่านมาได้แล้วอย่าอย่าวกวนกลับไปเอาผิดเอาถูกไม่ใช่พลิกมือขึ้นรู้สึกเคลื่อนไหวไปมารู้สึกเอาขยันเวลาใดมันหลงล็อขยันรู้ขยัน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 ความทุกเป็นเรื่องของความทุกความสุขเป็นเรื่องความสุขความผิดเป็นเรื่องของความผิดความถูกเป็นเรื่องของความถูกเขาเป็นอย่างนั้นมานานแล้วเราก็รู้ไปเห็นเห็นโลกพวกนี้แหละผิดทางไหนผิดทางความคิดตรงนีม้มากเหมือนกันเอ้ตรงนี้มันก็มีผิดมีถูกตรงนี้ด้วยมีสุขมีทุกตรงนี้ด้วย อตรงกายมันก็มีผิดมีถูกมีสุขมีทุกข์ที่ตรงนั้นด้วยอ่าแล้วก็กลับมามาลู่สุกตัวมาลู่สุดตัวมันจะเป็นอะไรมาลู่สุกตัวลู่สุกตัวท่าเดียวอถ้ามันลู่มันมีอะไรแย่งมากว่าวางทิ้งมันเลยทิ้งทุกอย่างใครทำมันอื่นไม่ใช่สู้ซึ่งหน้าบางที สู้ต่อหน้าไม่ได้แล้วก็มีอุบายอันอื่นเยอะแคะเรานั่งสร้างจังหวะความหลงมันคุกคามความสุขความทุกข์มันคุกคามเราก็ไปทางอื่นไปทางอื่นมันมีอะไรที่มาพัวพันมาครอบงแล้วก็ก็ลุ จะไปทอดสะพานให้สิ่งต่างๆชักสะพานเสียครับพระเจ้าสอนชักสะพานออกจากความสุขชักสะพานออกจากความทุกข์ชักสะพานออกจากความโลภความโกรธความหลงไปโน่นมันจะว่าอย่างไงถอดออกมาปับ๊บไม่ต้องทอดให้มันสุขทอดออกมาทุกข์ทอดออกม า, กอออกมาชักออกมา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 ไม่มีไม่เห็นไม่เห็นที่จะอะไรที่จะมาอ่าผ่านมันเป็นทางผ่านของทุกอย่างถ้าเรามีกรรมฐานมีสติเห็นกายเรีว่าเห็นกายญาณปัฏนาแล้วเวทนามันก็จะมามาผ่านความคิดก็จะมาผ่าน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 มันเป็นพาลาต่อชีวิตทั้งหมดเลยมันหิวมันหอบไปไน้อยไม่ปกติสิ่งไหนที่ทำไม่ไม่ปกตินะั่นหละถือว่าเป็นพลาละาเราจะมาสร้างความรู้สึกตัวเพื่อสร้างฐานให้มันเกิดความปกติให้มันเกิดความปกติมากันในบ้านในเรือนเรา ในอะไรที่ไม่ปกติเราพยายามแก้ไขปรับปรุงอยู่สมอไปไม่ปกติปุ๊บๆเพ๊บๆเสียงเครื่องขยายทางเออเอแล้วก็ใช่สร้างขึ้นมนแต่ก่อนเครื่องตรงนี้มันก็ดังเอืเออเออเออกะไแล้วก็หามหมุนเหตุอะไรพบแล้วดูกับท่านนทท่านนทก็เออเอออมันก็ไม่ตรงนี้แล้วเราก็แก้ได้ก็เงียบแล้วกั ี่พิธเรากมรมกันมันไม่ปกติก็ไม่เยอะไอ้เจ้าสุกซดไอ้เจ้าลกกวนเหมือนยุงที่เจ้าลาคาญแล้วก็กางมุงไม่ให้มันเข้าขนนมาอาณาจักเป็นวัดภายนอกแต่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราสรัทธาอย่างเดียวรู้สึกตัวอย่างเดียวใช้ได้หลายอย่างฮะ รู้จักตัวอย่างเดียวรู้สึกตัวอย่างเดียวะมันไม่เหมือนวัดถนเดินเพราะควารู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นตัวปฏิบัติมันเป็นตัวปฏิบัติตตถ้ารู้สึกตัวถือว่าได้ทําทุกอย่างถือว่าได้รักษาศีลถ้ารู้สึกตัวถือว่าได้ทําสมาธิถ้ารู้สึกตัวถือว่าได้สร้างปัญญาฮะมันก็เป็นอย่างนั้น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 เาก็เราเดินทางจากไหนจนมาถึงที่นี่ที่เราตั้งใจที่จะมาแล้วมาแล้วเราได้ปธิบัติแล้วเราได้ยินได้ฟังได้พบมิตรพบเพื่อนได้สัมผัสนะกับบรรยากาศนะความเท็จความจริงมันเป็นอย่างไรมาพิสูจน์ด้วยตนเองไม่ให้จะเป็นคำพูดตอนเช้าตอนเย็น แต่เราก็พิสูจน์ได้เอาคำพูดมาสัมผัสเอาคำที่พูดมาเป็นการกระทำถ้าเป็นหลวงพ่อพูดคนเดียวเ ร, เราหลายคนเอาไปทำเราไปทำก็เห็นอันอื่นต่างกันไปหลัคนละวารละเห็นมีสติเห็นบางคนก็หลงบางคนก็เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้หลงไปทางความคิด เป็นความคิดเป็นความรู้อ่าก็เราก็ทำาหนเดียวกันเราทำเหมือนกันนี่คือของจริงตายเราก็มีเหมือนกันเคลื่อนไหวไปมาก็เคลื่อนไหวไปมาเดินก็เหมือนกันอ่าถอยหลังก็เหมือนกันเดินไปข้างหน้าก็เหมือนกันในพระสูตรพองค์เียงแต่พูดว่าการคู่แขนเข้าการเหยียดแขนออก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 ไม่ใช่ว่าไม่ได้ทุกคนก็เคลื่อนไหวไปมาจะไปเอาอะไรความรู้สึกตัวมันไม่ได้ได้มันรู้ไม่ได้ไม่ได้ไปยึดไว้มันรู้มันรู้ความรู้มันเป็นการปล่อยการวางก า, การเป็นธรรมวามรู้สึกตัวไม่ได้ไปได้บางคนมันไม่ได้พอสร้างความรู้สึกตัวไปได้ความหลงสร้างความรู้สึกตัวไปได้ความเครียด เออทำไมายังเป็นอย่างนั้นก็แปลกเหมนะือนกันนะความรู้สึกตัวก็เป็นความรู้เนี่นะไปะเอาอะไรอีกพอสร้างความรู้ก็ได้ความง่วงอา้าวมันก็ไม่ใช่หรอกกลับมานะานนานะาทำให้เราเปลี่ยนเป็นความรู้ความง่วงทําให้เราเปลี่ยนเป็นความรู้ความเครียดทําให้เราเปลี่ยนเป็นความรู้นี้นะ <c oughs> ตรงนี้มันก็เลยง่ายแต่ความเครียดเป็นความเครียดเราก็เครียดตายความม่วงเป็นความม่วง เ, เอาว่าเปลี่ยนเป็นความรู้เรียกว่าปฏิบัติตัวปฏิบัติคือเปลี่ยนเนี่ยตัวภาวนาคือขยันตัวความเพียรคือใส่ใจที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆด้วยมีความเพียรอย่าปล่อยปละละเลยในความม่วงก็มีความเพียร ในความหลงก็มีความเพียรความเพียรไปเกี่ยวข้องกับทุกอย่างในความดีก็มีความเพียรในความผิดความถูกความทุกข์ก็มีความเพียรเพียรที่จะทำดีนะเฮ้ยกิเยนะทุกขพันเกติคนจะร่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรคือกล้าลันง่วงกับกล้าที่จะปลุกตนเองให้ตื่นมันทุกขกกล้าที่จะ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 ต้องปะไว้ให้ได้ใช้ความไม่ทุกข์มันหลงก็ปะไว้ลู่ไว้ที่จะให้ใช้ความไม่หลงมวนเรามีเสือ่อผื้นหนึ่งพยายามใช้ให้ได้มากๆมันขาดแล้วก็ปะไว้ในเสือ้อผื้นหนึ่งมันขาดแล้วก็ปะไว้ในเครื่องใช้ไม่สอยอะไก็าตามปะไว้ซ่อมไว้ เพื่อคิดจะได้ใช่ไปอีกดันั้นใดก็ดีการปฏิบัติธรรมความรู้สึกตัวนี่ก็ซ่อมเอาไว้มันหลงถือว่ามันเสียแล้วก็ซ่อมไว้ให้เกิดความรู้แต่ว่าการซ่อมความรู้เนี่ยมันไม่เหมือนวัตถุมันก็คือความรู้อันเดียวคิดยาที่ทําให้เกิดความรู้อาศัยวัตถุก็ไม่อาศัยสิ่งแวดลอ้อม ก็ให้เกิดความรูส้สตัวแล้วเราก็มีด้วยไม่เหมือนวัตถุมันมีพร้อมแล้วในชีวิตเราแลในกายในการกระทำมีสติมันพร้อมที่จะไปทำอะไรอะไรได้ในชีวิตเราจะมีกิเลสพันห้าตัณหาหน่อยแปด แปดหมื่นสี่พันเรื่องเรื่องเดียวคือความรู้สึกตัวโดยสร้างความรู้สึกตัวเป็นตัวหลักแปดหมื่นสี่พันเรื่องอาจจะรวมลงออิเลดพันห้าตัณหาร้อยแปดอาจจะมีความรู้สึกตัวอันเดียวไปเช็ดเลยไม่้จะมีพันห้าที่เราเขียนผิดก็มียางลบอันเดียวไปแช่คําผิด ความรู้สึกตัวเนี่ยทําสิ่งต่างๆให้เป็นความรู้สึกตัวได้ทั้งหมดความหลงก็เป็นความรู้สึกตัวความสุขก็เป็นความรู้สึกตัวความทุกข์ก็เป็นความรู้สึกตัวความโลภความโกรธความหลงกิเลสตัณหาเป็นความรู้สึกตัวเปลี่ยนมาตรงนี้ได้ไหนมาขนาดนี้นะความรู้สึกตัวพระพุทธเจ้าจึงเอาและเอกะมะโควิสุทธิ์เถียหนึ่งทางที่จะ เข้าถึงมาถึงผลหมายเลขหนึ่ง เ, เดียวไม่ใช่หลายรูปหลายแบบนี่เราจึงสรุปพระพุทธเจ้าสรุปให้เราแล้วความไม่ประมาทคือความรู้สตัวนเองอะประมาทโทมัจโนประถังความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายประมาโทมัจโนประถังความประมาทเป็นทางแห่งความตายนะมันก็เท่านี้ ตอนพ ร, ออ ร, ระพุทธเจ้าใกล้ไปินผานก็พูดเรื่องความไม่ประมาะอะทอะระธาในภิกขเวอมัญตยาไมโววายะธรรมะวายะว ย, วว ย, วยะธรรมสังขลาประมะเทนะสัมปะเทตะที่ส่ทั้งหลายจงทาความไม่ประมาะทให้ถึงพร้อมเถอ นี่เป็นพระวาจานในขั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าสรุปให้เราสวยงามประโคมเทศนามาสี่ห้าปีมาสรุปลงให้เราอย่างสวยคือความไม่ประมาทให้เราก็เอามาทำคือความรู้สึกตัวเนี่ยแหละมาสร้างขึ้นมา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 รวบปราบโลภปราบอะไรกับอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นจย่าไปคล้องแวะนะสร้างความรู้สึกตัวตะเพือตัพือไปให้เมย์ให้มากทำให้เมย์ทำให้มากนี่เป็นการตัดสินใจของนักปฏิบัติไม่ใช่ไปผิดแล้วก็เป็นปัญหาถูกเ้วก็เป็นปัญหาทะเ่ากันทกุก็เป็นปัญหาสุขก็เป็นปัญหา ความรู้สึกตัวมันไม่มีอะไรมันไม่เป็นอะไรกับอะไรความรู้สึกตัวน่ะเรามาสร้างรมาสร้างตัวนี้แต่เมื่อก็จะเกิดการเห็นเห็นแจ้งไม่จะเห็นเฉยๆเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเห็นโลกเห็นนามเห็นศาสนาเห็นบุญเห็นบาปเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จนได้ แสดงเอาว่าพุทธองสละนังคาฉาไหมข้าพเจ้าถือพระเจ้าเป็นสณนะตัดสินใจแล้วทำมังสละนังคัาฉาไหมข้าพเจ้าถืออาพระธรรมเป็นสลนะสังฆังสละนังคาฉาไหข้าพเจ้าถือเพระสงฆ์เป็นสณนะแม่ขั้งที่สองแม่ขั้งที่สามนมันมันม่นใจถึงขนาดนั้นสณะหมายถึงที่พึ่งพุทธะคือตัวที่เข้าไปเกิดเป็น ปอเป็นกรรมขึ้นมาในชีวิตเราคือลูกคือตื่นกว่าเกา่าไม่หลับไม่หลง่ะมันเกิดขึ้นมาเป็นพุท ธ, ธเป็นปัญญามันเป็นปัญญาจากการเจริญสติมากลายเป็นปัญญาพุท ธ, ธลูกแก้ง่ะต่างเก่าพ้นภาวะเดิมมันเป็นพุท ธ, ธขึ้นมามนก็เห็น เห็นกิเลสเห็นตัณหาเห็นไม่มุมดตรงไหนมันมีการขอ้ของการแวะมันก็เห็นความหลุดคพ้นเป็นคู่กันไปความมาสวาภาวาสวะอวิชชาสวะสิ่งที่ทําให้เกิดข้องติดสิ่งที่ทําให้เกิดเป็นภพสิ่งที่ทําให้เกิดผูกมัดระลึงมันก็พุดไปมันก็พ้นไปพ้นไป ถึงจดหมายปลายทางคือวิมุตต์หลุดพ้่นนี่เพรามันโลภมันปลดปล่อยความโูภจึกตัวมันไปไปจากความหลงไปจากทุกอย่างความโลภสึกตัวพ้นทุกอย่างมันพ้นได้ทุกอย่างว่าใจมีให้มา ก, กนเะเธอมันหลงก็พ้นจากความหลง มันสุขก็พ้นจากความสุขมันทุกข์ก็พ้นจากความทุกข์มันโกรธก็พ้นจากความโกรธมันเห็นมันเป็นอะไรพ้นจากเสียงนั้นสียงนั้นและจึงจดหมายปลายทางจันได้พระองค์จึงได้พปรดว่าชาติสิ้นแล้วพุทธมจริยวจบแล้วจิตเดินที่จะต้องทําไม่มาอีกแล้วอจดหมายปลายทางเคยมุดหลุดพ้นจากการได้เดินทางสัมผัสกับอะไรมา เราเห็นเราก็มาสแสดงให้พวกเราฟังแล้วพวกเรามาเดินตามพระองค์ตามลอยยุคนบาทลอยพระยุคนบาทก็คือลอยนี่แหละลอยสติที่ทำให้เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาเนี่ยเป็นลอยของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ลอยอิดลอยปู น, นนั่นเอามาเป็นสมมติมันยัดแล้วเราก็ไปกราบไปไหว้ ลอยอันนั้นลอยสติลอยสินลอยสมาธิลอยปัญญาเนี่ยไม่ได้ไปกราบไปไหว้ที่ไหนมันไหว้อยู่เสมอมีสินอยู่เสมอมีสมาธิอยู่เสมอมีปัญญาอยู่เสมอเดีบอกไหว้นอนไ ว, นไว้มาใส่เราน้อมเราเข้าไปใส่อันหลงเวลาได้น้อมความรู้เข้ามาหาเราเดีวไหว้แล้วไหว้คือน้อม ไม่แข็งทื่อคนโกรธคือคนแข็งทื่อคนหลงคือคนแข็งทื่อน้อมเข้ามาโน้อมกับรู้เข้ามาหาเราประวัติไหว้หลอยพระบาทน้อมศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยพุทธะรู้มันตื่นเนียไม่ใช่ไปไหว้ที่ไหนมันคือคนธรรมที่มีอยู่ในคนเรา แต่คุณธรรมมนี่เราต้องสร้างให้มันเกิดแต่เราไม่สร้างมันก็ไม่เกิดนะมันจะเกิดอกุศลโ้ว้นไปพบภูมิมก็มีพบภูมิไปเหมือนกันนะชีวิต เ, เราเนะี่ยภูมิมันต่ำภูมิที่ไม่จเจริญก็มีเหมือนกันคือเปลิดสุรกายสัตว์นรกเดรัจฉานไปทางต่ำๆมีมนุษย์สาเปโต สร่างกายใบหน้าเป็นมนุษย์แต่ว่าใจมันต่ําไปเป็นเปรตไปแล้วมนุษย์สาเดลฉันโอ้าร่างกายเป็นมนุษย์หน้าตาเป็นมนุษย์แต่ว่าใจมันต่ําเป็นเดลฉานไปแล้วขวงแล้วขวงความดีอมนุษย์สาเดลนาเนนาลโนนาลโตอ้าวสร้างกายเป็นมนุษย์หน้าตาเป็นมนุษย์แต่ใจมันตกนรกไปแล้วเล่าร้อนนอน มนุษย์โศวมนุษสาเออร่างกายเป็นมนุษย์ห น, น้าเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์มนุษย์เทโวโอ้ร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นเทวดายิ่งแ ย, ย, ย, ย, ย่มก่งใส่บางทีมันกับภพภูมิ ม, มันมีเหมือนกันนะผมต่ตําๆก็มีเราจงมายุคถวนกระแสจ้างความรู้สึกตัวถ้าไม่เช่นนั้นมันจะไหลไปสู่ทางตา่ําปล่อยปลาลราเลยไปได้ชีวิตเรา แล้วเสียงเวทล้อมก็ไปได้เหมือนกันนะไปได้เหมือนกันบางคนก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่พราว่านในอ่านหนังสือไปดูหลานหลานป่วยที่โงไปาบางเอาเสื่องสือเข็มอ่านหนังสือเป็พ่อฆ่าแม่อลูกฆ่าพ่อลูกติดยาเสพติดลูกเป็นเอกลูกชายเป็นเอก เมียทิ้งเลยกลับมาอยู่กับพ่อให้อยู่บ้านสองคนกับพ่อพ่อกวาอายุกิดสิบกว่าปีลูกก่างๆนอนอยู่เพราะว่าหิวข้าวหิวข้าวพ่อก็ลุกไปกำลังหาฟืนมาหงมาต้มพืนเอาใส่ก้นหม้อแล้วใส่เตาไฟแล้วกำลังแกะ ก่อพืนหุงข้าวให้ลกูกลูกก็หิวข้าวหิวข้าวมองเห็นพ่อนั่งก่อไฟอยู่พ่อไม่ลุกมาโดดกรธว่าอะไรจากไ อ, อหัวพ่อพ่อก็ล้มพุบลงไปใส่คกเอาเอาสากหินน่ะนะเอาคางไปเกยค ก, กตีลงไปอีกพ่อก็เมบนอนกายคกเอาถ่ายหนังสิบพิมะมโอ้ อันละคนนะมนุษย์นะหน้าตาเป็นมนุษย์เหมือนเราขาสองแขนสองคอหัวตั้งอยู่บนบ่าเหมือนกันกับเรามันไปทางต่ำๆผู้บังเกิดเข้าก็ฆ่าได้มีไหมในโลกเนี่ยมีสองสามวันมานี่จังหวัดแพร่ฆ่าแล้ว <c oughs> บางทีมันอาจจะ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 สมบูรณ์แล้วพวกหลอกนะอยากให้มันพลาดแนะมาสร้างมาปฏิบัติมาทวนท <c oughs> วนกระแสไม่ให้มันจะไหลไปหลงก็กลับมามันจะไปสุกไปทุกข์ก็กลับม า, ม, กกบ ม, ามันจะไปลักไปชังใครที่ไหนก็กลับมากลับมากลับมาได้ทุกทั้งที่วันไปวันนี้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 ทุกทางใจทุกทางกายสุขทางกายสุขทางใจหลงก็มีอยู่ตรงนี้แหละไม่หลงก็มีอยู่ตรงนี้แหละสุขก็อยู่ตรงนี้ทุกก็อยู่ตรงนี้แหละอที่จะเป็นเปรตเป็นสุ ร, รกายมันก็อยู่ตรงนี้แหละจะเป็นบุญก็อยู่ตรงนี้จะเป็นสวรรค์นิพพานันก็อยู่ตรงนี้อ่าจิงไม่ไปไหนไม่ได้ไปศึกษาที่ไหนในกายเ่วงจอกยาววาน า, าคืบมีสัญญาด้ดจิตใจ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 กลับมาภาว น, นาสร้างให้ลูกความรู้ให้มากมากให้มันทับถมความหลงไปเรื่อยๆอถ้าความรู้นี่มาความหลงก็ไม่มีค่าเหมือนเกลือเอาใส่ช้อนไปใส่น้มในสระวัดป่าสุกโตน้าก็ไม่มีโอกาสเค็มได้แต่น้าน้อยๆอาจจะเค็มนะไปใส่ในนา้าในถ้วยในชาม ถ้วยชามที่มีหน้ามันจะเข็มไปแล้วถ้าความรู้สึกตัวไม่มีมากความหลงไม่มากก็มันก็หลงไปแล้วเมืนะ่อหลงก็ทำได้ทุกอย่างความหลงก็พาไปทำชั่วทำบาปทำกรรมเป็นเวรเป็นภัยเกิดขึ้นเจตัวเราเกิดขึ้นเจคนอื่นมีผลกระทบไปเรื่อยๆไปนะโอ้คนหัวลูกนะตัวหลงอย่างเดียวเห็นไหม หลงไปในความคิดเห็นไหมอันตัวนี้เล่นะอันหลงไปในความคิดเนี่ยอันหลงไปในกายนี่ไม่อยากคายไม่ปลาหนีดเท่าไหร่หรอกยัอ ย, อ, ยกอยังหยาบอยู่แต่หลงไปในใจละเอียดถ้าไม่มีสติหริงมองไม่เห็นหลงไปในกายก็พอมองเห็นกันได้แต่หลงในใจคนอื่นมองไม่เห็นเห็นบางคนอาจจะคิดโกรธหลวงพ่อหลว ง, งพ่อก็ไม่เห็นถ้าคิดโกรธ ด่าเราเพราเออเขาโกรธเราจริงนะเขาด่าเราแล้วเขาคิดโกรธเพรฆ่าเลาเพราโอ้เขาก็โกรธจริงๆนะนะเออเห็นได้มันยากแต่ว่าทางใจเนี่มองไม่เห็นะนะแต่การเคลื่อนไหวออกกายที่สร้างสติเห็นได้เคลื่อนไหวไปมาเดินจะกรมไในรูปได้เขาเดินก็เห็นได้โอ้เขากำลังสร้างความรู้จึกตัวนะเขากำลังเดินอยู่นะเห็นได้อันหลงไปใน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 แจะไปใจโอนรอได้คอยได้ผิดบ้างถูกบ้างไม่เป็นไรน ะ, ะไม่แต่ปฏิบัติมาเท่าไรเท่าไหรมันยังหลงอยู่ก็ไม่เป็นไรอหลงก็ปฏิบัติมานี่สามสิบกว่าปีมันหลงอยู่ก็ไม่เป็นไรอ่เพราะเราไม่หลักแล้วมันหลงทีใดเป็นหน้าที่ของเราเลยทีเดียวต้องเป๊ ะ, ะไม่ไปโยนให้ใคร เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเรื่องของเราโดยตรงเป็นหน้าที่ของเราเป็นภาระของเราถ้ามันต้องมีภาระก็ทำภาระแล้วถ้ามันไม่มีภาระมันก็ไม่ดีนะขอให้มีภาระเห็นเราเนี่ยแล้วก็คนนั่นให้ไปสอนตวนนี้คนนี้ไปสอนเออมันดีนะจะได้เป็นประโยชน์บ้างในคำ อธิษฐานใจเราก็อธิษฐานแบบนั้นอธิษฐานบอกว่าให้ให้จะมีโอกาสทําบุญให้ทานมีโอกาสรักษาศีลบําเพ็ญเพียรภาวนามีโอกาสได้มรดกธรรมของพระสมาสัมพุทธเจา้าและมีโอกาสสอนคนเด่นให้โลตตามมีความสุขทุกทษดก้าโน้นจุดหมายปลายทางของเรา ถ้าหลวงพ่ออธิษฐานใจเขาอาาธิษฐานให้พรคนก็ให้พรแบบนี้ให้เยนเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยมีอายุวันนาสุขะพละทำจิตการงานอันชอบโดยศินโดยธรรมให้สำเร็จตามความประสงค์และให้มีโอกาสทำบุญให้ฐานรักษาศีลบําเพ็ญเป็นภาวนามีโอกาสบรรลุ ธ, ธรรมของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า ในชาติปัจจุบันนี้แล้วช่วยคนอื่นให้รู้ตามเกิดความสุขทุกทหนนะโอ้หรือจุดหมายปลายทางนะเราจะขอให้เราไม่ความสุขความสุขไม่ใช่ต้องไปช่วยคนอื่นให้พ้นทุกให้เขา ม, มีสุขเหมือนกันอ่ามันเป็นจุดหมายปลายทางของเราถ้าใครรู้แล้วไม่สอนโอตัดช่องน้อยเฉพาะตัวเป็นปจจ ก, กพุทธไม่มีประโยชน์เลย ไม่มีประโยชน์ต้องเป็นสัมมาสัมพุทธโธไปบอกไปสอนคนอื่นให้รู้ตามด้วยไม่ได้บอกได้สอนก็ไปทําให้ดูอยู่ให้เห็นด้วยจะเป็นคนลุกรี่ลุกล้นจะเป็นคนวู่วามผลผันพันแล่นเย็นเย็นอย่าหน้าบูดมึนตึงเครียดไปพวกเรามันน้อยมันไม่มีผู้คนที่จะเป็นแบบเป็นอย่าง อย่าไปสุบอุหรี่อย่าไปกินเหล้าอย่าไปทะเลาะวิวาทกับใครไปอยู่สงบ่มเย็นเป็นดอกปรลิลอยอยู่ในน้ำในตระ ก, กูลของเราในครอบครัวในหูญาติในเพื่อนในมิตรโนนไปช่วยกันเนีไม่ใช่ว่าไปคนเดียวทิ้งทิ้ง ท, ท, ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่นะ เพื่อเรื่องนี้นะเรามาปฏิบัติธรรมนให้มีค่าบ้างให้มีทุระบ้างทุระเอาเอาคนเอาผู้เอาคนเอาการเอางานนะอน้อยก็ต้องพากันอยู่พากันปฏิบัติธรรมพูดให้กันฟังคนหนึ่งช่วยอันหนึ่งคนหนึ่งช่วยอันหนึ่งแม่ครัวก็ช่วยหงช่วยตุง่งเราเราก็ช่วยกันปฏิบัติสร้างความสงบลมเย็นให้เกิดความสุขแก่แม่ครัว อยากทะลาะวิวาดนะใครอยู่ในวัดสุกโตเนี่ยมีสิทธเท่าเทียมกันสุขทุกข์ด้วยกันนอะไรนะแล้วยังมีคนอีกที่ที่เป็นห่วงไม่ค่อยเห็นหน้าอยู่ด้วยกันมาแล้วก็อยู่คนเดียวก็ากินข้าวคนเดียวก็พ่อเคยไปชวนคุณแอ ด, ดนะอยากใครมากินข้าวด้วยกันเมไลยนันเลือกได้อยู่เขาไม่กินเขากินมังสวิรัตโสุก โ, โตก็พอเลือกได้นะ เขากินเกย์โซกโตก็พอเลือกได้นะอะบางคนก็ก็อเอากันแลบนั่นอยู่แล้วไม่อะไรก็อยู่ด้ยกันนี่จึงคือว่าอยู่ด้วยกันช่วยกันยังอย่างไม่ถึงดูแลกันไมถ่ถึงบางทีก็ลืมกันไปเพราะไม่เห็นหน้ากันเราจึงมีวิธีวัดจิตวัดธรรมรชาตาธรรมรเยนไปบินถ บ, บาตไปฉัน ครับกันล้วก็พูดให้กันฟังหลายคนก็คงได้ยินหลวงพ่อพูดและหลวงพ่อก็สบายได้ได้บอกได้ทำหน้าที่สิ่งที่พูดไปเน้ามันมีความสุขมันสนุกมากกันานะเพราะได้บอกความจริงนะแต่ไ่ให้พูดโอ้ยอมันก็ไม่มีค่าอะไรมันมันชีวิตเนี่ยเพื่อมาเรื่องนี้โดยตรง อย่าไปเชว่าโอ้หลวงพ่อมีพระ่ะไม่ให้หลวงพ่อยุ่งยากด้วยอย่าไปพูดดรื่งนั้นไม่ได้เป็นความยากการบอกการสอนกันเนี่ยเราให้บอกมีพระมีปัญหาอะไรบอกกันอย่นี้นะอ่าเยินหรอแต่เยินไหมอ่าแตกลัวก็ไปทำกลัวหลวงพ่อก็ไปอย่างนี้เนาะอ่าตนนี้จะอยู่วัดหรือเปล่า ถ้าว่าอยากจะอยู่วัดเหมัอนกัน อ, อ่ะก็สมควรใช้เวลาตัดพระคมกันอะระหังเสมาสัมพุโทธโธภะคทวงภะคะวันตองภิวาเต สวัสดีภะคะวะตภะคะวะตาทธร a มะนะมะตะสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกสางะโกสาวะังนะมะ